ีลูกเนนสามาพรามวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่สองเมษาห้าสี่นเนาะเราได้เข้ามาบวชสามเมนเนนแล้วก็บวชพรามตอนนี้เดินทางมาได้แล้วสิบกว่าวันเกินเกินครึ่งแล้วทีนี้เท่าที่ หลวงพ่อได้ได้สังเกตดูพวกเราอะนะก็ยังปรากฏว่ายัางต้องถูก <c oughs> คล้ายๆว่ายัางมีการบอกกล่าวกันเกือบทุกวันมีการบอกกล่าวเตือนกันทุกวันเลยนะว่าเวลาฟังธรรมก็ดีทำวัดก็ดีขอให้พวกเราเงียบอย่าได้พูดอะไรพูดแล้วพูดอีกก็ยัง ไม่ได้ทำตามที่ครูบาอาจารย์ได้บอกไว้แม้กระทั่งตอนนี้เองก็ยังมีการพูดคุยอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่หลวงพ่อกำลังพูดว่าระหว่างฟังธรรมเราก็ไม่ควรพูดลูกเนคงได้ยินหลวงพ่อพูดหรือเปล่าคนที่กำลังคุยกันอยู่ ครูบาอาจารย์ที่นี่มีแต่ความหวังดีนะอยากจะบอกกับพวกเราให้ทำแต่สิ่งดีๆให้ทัฒนาด้านจิตใจให้ดีก็เพื่ออะไรก็เพื่อพวกเราเองเพื่อให้เราไม่ได้ให้ได้อยู่ได้อย่างสบายไม่มีทุกข์คือพ้นทุกข์ไปได้ ทุกคนนั่งให้สบายนะไม่ต้องปิดตาก็ได้ตามตามสบายแต่ไม่ขอว่าอย่าอย่าให้หลับกันแล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะจะคุยอะไรต่างๆให้ฟังว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยหลายวันแล้วเนี่ยเราได้เข้าใจแล้วยังว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินั้นคือต้องทําอย่างไร ออน้องเนนน้องเนนทีละน้องครามก็เงียบอยู่แล้วก็ถือว่าอนุโมทนาด้วยนะดีแล้วเหลวงพ่อกําลังพูดว่าพวกเราเนี่ยอยากจะให้เราฟังนะฟังทำว่าสิ่งที่เรามาฟังกันเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอะไรเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะต้องไปทําอะไรต่อหลังจากที่เราบวชออ ก, ออกบวชออกจากการการเป็นสา ม, มเณรแล้วเนี่ยนะลองฟังนิดหนึ่ง อ, อสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้พูดตั้งแต่ต้นก็คือว่าการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยคือเราต้องเรียนเรียนรู้เรื่องเรื่องตัวเราเองนะประโยคนี้มันก็มีความสําคัญอยู่ในตัวแล้วว่าการเรียนรู้ธรรมะคือการเรียนรู้เรื่องของเราไม่ใช่เรียนรู้เรื่องของคนอื่นทีนี้เรื่องของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรื่องของเราก็มีมีกายกับใจเท่านั้นเองมีสองอย่างไม่ยากเลยนะ เราเรียนรู้เรียนเรื่องกายเรื่องใจของเราเรื่องของคนอื่นวางไว้ก่อนเลยไม่ต้องสนใจเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้ตอนนี้ให้เรามองให้นึกเพียงว่าตอนนี้เราเกิดมาคนเดียวในโลกนี้เราเกิดมาคนเดียวนะมันจะง่ายขึ้นแลวไม่ต้องไปสนใจใครทีนี้หลวงพ่อจะบอกว่าการรู้กายรู้ใจเนี่ยเขารู้กันอย่างไรนะนั่งให้สบายลองนั่งเฉยๆนะไม่ต้องพูดอะไร ลองนั่งเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องเขียนอะไรด้วยนั่งเฉยๆเนน่นข้างหน้านะนั่งเฉยๆแล้วสิ่งที่ปรากฏทางกายสิ่งที่ปรากฏทางใจเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองมันจะโผล่ขึ้นมาให้รู้เองว่าอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายกับจิตใจขอให้นั่งอยู่เฉยๆตอนนี้เริ่มต้นจากนั่งสบายก่อนเริ่มต้นจากที่เราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยนะวางให้หมดสิ่งที่เคยรู้มาวางให้หมดแล้วก็นั่งเฉยๆ อย่าเพิ่มกระดูกกะดิบก็ดีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นทางกายบ้างนะนั่งไปเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะอาจจะชี้แนะเป็นบางเรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วกับร่างกายกับจิตใจแต่ว่าเอาจากร่างกายก่อนนะไม่งั้นมันจะสับสนหลวงพ่อบอกว่าเริ่มต้นจากนั่งให้สบายนะแล้วทำไมตอนนี้เรามีการขยับลองสังเกตไม่ขยับดูนั่งให้สบายอยู่นั่งเฉย เมื่อเราเริ่มนั่งเนี่ยอาการทางกายค่อยๆเกิดขึ้นหลวงพ่อจะบอกว่าเช่นมีการคันตามร่างกายความคันนี่แหละก็เป็นปรากฏการทางธรรมะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในกายโดยปกติเมื่อมีความคันเกิดขึ้นเรามักจะรีบเกาทันทีเมื่อเราเกาทันทีความคันมันก็หายไปแต่หากว่าเราจะศึกษาธรรมะเราควรจะ ให้มันคันไปก่อนอย่าเพิ่งเก่าเพื่อจะดูว่าความคันมันเกิดขึ้นตรงไหนยังไงเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนะเมื่อนั่งต่อไปถ้าใครยังไม่ขยับขยื่นตัวเนี่ยก็จะปรากฏว่าอาจจะมีการเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายนะเมื่อยขาเมื่อยหัวเขา่าเมื่อยบั้นเอวเมื่อยสะโพกเมื่อยคอเมื่อยอะไร ความเมื่อยที่เกิดขึ้นอันนี้มันก็เป็นธรรมะนะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นทางทางายนะพวกเราเนี่ยมีเหมือนกันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะมันจะมีหมดเพราะนั้นเราลองศึกษาว่าความเมื่อยได้เกิดขึ้นไหมเราไม่ต้องหานะนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวมันพอมันรุนแรงหรือมันบีบพันมากเราก็จะรู้ได้เองว่าความเมื่อยได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อมีความเมื่อยเกิดขึ้นแล้วอาการอื่นๆก็อาจจะมีอีกแม้กระทั่งว่าตอนนี้ทางกายสัมผัสเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเย็นไปนิดหนึ่งหรืออาจจะหนาวไปหน่อยหนึ่งหรือบางคนอาจจะรู้สึกร้อนร้อนอบอุ่นตามร่างกายความร้อนที่ปรากฏขึ้นในกายเนี่ยเราก็รู้สึกได้มันก็เป็นธรรมะถ้าคนไม่ฟังไม่ทําตามนะจะไม่รู้เลย นะก็พระพุทธเจ้าท่านได้ตััตรู้มาก็ด้วยเพราะท่านมีการพิจรารณาอย่างนี้พิจรารณากายว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อท่านเห็นอะไรเกิดขึ้นท่านเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีการเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าหากว่าเราฟังให้ดีเราก็จะพบว่าความคันก็ดีความเมื่อยก็ดีความปวดก็ดีเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเปลี่ยนไปมันจะสลับไปอย่างนี้เรื่อยไปทั่วชีวิตนะ การเรียนธรรมะเราก็ต้องเรียนแบบพิจารณาอย่างนี้คนไหนที่อาจจะรู้สึก ง, ง่วงหน่อยหนึ่งจะรู้เลยล่วว่าร่างกายมีการเอ็นไปเอ็นมานั่นคือความเคลื่อนไหวของร่างกายขอให้เราออกมาดูตรงนี้ด้วยส่วนเรื่องของจิตใจจริงๆเรื่องทางร่างกายเนี่ยมันมีเยอะนะแต่ว่าถ้าถ้าหลวงพ่อพูดไปเดี๋ยวอาจจะ อาจจะสับสนแต่ว่าให้เราพิจารณาเอาเองว่าอะไรเกิดขึ้นทางร่างกายบ้างส่วนทางจิตใจตอนนี้ถ้าหากว่าคนที่ไม่เคยได้ฟังได้ยินมาก่อนเราก็ดูไม่ออกว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรบ้างเพราะนั้นหลวงพ่อจะอาจจะเฉลยให้ดูนิดหนึ่งว่าจิตใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเช่นจิตใจซึมซึมนะจิตใจซึมซึมไม่กระปรี้กระเป่า เพราะว่าเราอยู่ในภาวะแบบแบบนี้มันก็เลยแบบซึมซึมไม่สดชื่นนะหรือบางคนระหว่างที่นั่งอยู่เฉยเฉยอาจจะมีความคิดต่างๆนานาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้ให้พิจนารณาให้เห็นให้รู้ว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดขึ้นเองโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำให้มันเกิด คนที่คุยอยู่เนี่ยไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเป็นนิสัยเดิมไม่เคยฝึกมาก่อนหลวงพ่อบอกให้ฝึกก็ไม่ฝึกจากใดที่เราไม่ฝึกเราก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เราได้ดูภาพยนตร์ตัวอย่างเมื่อวันก่อนเรื่องยาเสพติดก็ดีเรื่องอุบัติเหตุก็ดีทําไมถึงเขาได้เป็นอย่างนั้นคนเหล่านี้ไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเลยเราเกิดมา นะเกิดมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มากไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนๆแต่เมื่อเราโตขึ้นมาตามลำดับเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็จะได้รับของดีถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีเราก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะ นำพาให้เราไปสู่ความดีได้นำนำพาไปสู่ความที่เราเป็นผู้ไม่เดือดร้อนเป็นผู้ไม่ไม่มีความทุกข์เราก็ต้องฟังสิ่งที่ฟังก็คือฟังใครอย่างน้อยเราก็ต้องฟังพ่อแม่เป็นเบื้องต้นพ่อแม่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นผู้ที่มีความรักเรามากที่สุดมากกว่าใครๆทั้งหมดพ่อแม่ไม่เคยหลอกลูก ไม่เคยหลอกพวกเรามีแต่ความหวังดีท่านจึงได้สอนแต่สิ่งดีๆว่าลูกสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำส่วนคนอื่นๆครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ที่หวังดีพระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะเรียนธรรมะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านรู้สิ่งใดมาท่านก็จะบอกกับพวกเรา เพราะฉะนั้นหากว่าพวกเราไม่ฟังเราก็จะรู้ไม่ได้ยิ่งโดยเฉพาะการไปฟังเพื่อนนะเพื่อนที่ไม่ดีก็จะพาเราแต่ในทางเสียหายแต่การครบบัณฑิตคือคบคนที่ดีๆก็จะพาเราไปสู่ในทางที่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ฟังนิดนึงเอาเพื่อแก้งว่วงนิดหนึ่งนะ มาสำรวจตัวอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะถามหลวงพ่อจะถามว่าทุกคนมีหูไหมตอบหูอยู่ตรงไหนจับจับไว้ทุกคนจับหูไว้เผื่อบางคนอาจจะไม่มีแต่ลึกว่ามีลองจับหูดูว่ามันอยู่หรือเปล่าหูจับหูเร็วคนที่หลับอ <c oughs> ื่นมีตาไหมตาอยู่ตรงไหน จับตาไว้นะเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ว่าทาไมถึงหลวงพ่อได้พูดอย่างนี้ก่อนจมูกมีไหมจมูกลิ้นอยู่ตรงไหนลิ้นอยู่ตรงไหนจับสิกายส่วนหัวจอดเท้ามีอยู่ครบไหมแล้วใจใจอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงไหนหาให้เจอ หน้าตาเป็นยังไงใจอะรู้หาใจหาเจอไมต่ตกลงเห็นเห็นตกอยู่ที่หน้าอกจริงๆใจมันหาไม่ได้ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนาะมันไม่เหมือนหูตาจมูกเลี้ยงกายใจคล้ายๆว่าพอที่จะรู้ได้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนแต่ใจมันมันมันรู้ยากรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องหาเนาะทีนี้เรื่องหูหูทำหน้าที่อะไร แถวหนึ่งหูทำหูทหน้าที่อะไรแถวสองแถวสองหูทำอะไรตอบดังๆแถวสามแถวสีแถวสี่ไม่กี่คนแถวห้าแถวหกแถวเจ็ด น้องความรู้แล้วเหรอเนาะเพราะว่าคนอื่นตอบหมดแล้วเมื่อฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาแถวแถวแปดฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะจะไม่ชัดนะฟังไม่ชัดโอเคนะหลวงพ่อบอกก็ได้เมื่อฟังแล้วเกิดการได้ยินนะเกิดการได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยอันที่หนึ่งสิ่งที่เหมือนกันคือมีหู แล้วก็เมื่อมีเสียงเกิดขึ้นเกิดการได้ยินนี่คือความเหมือนตาตาทําหน้าที่อะไรเมื่อดูแล้วเกิดการอะไรมีคนไหนที่มีความแตกต่างอย่างนี้จากนี้ไปบ้างเช่นเ อ, อดูแล้วเกิดการได้ยินมีไหมไม่มีนะตกลงมีตาก็ทุกคนมีตาแล้วก็รับรู้ได้เหมือนกันก็คือเกิดการเห็นจมูกทําอะไรหน้าที่ของจมูก เมื่อดมแล้วจะรู้สึกอย่างไรเอาลองดมดูอดมเป็นไงดมแล้วเป็นยังไงบ้างหอมครับหอมครับเอาอีกคนหนึ่งเอาลองดมดูดมหน่อยงงหมดแล้วเมื่อกี้หลับอยู่ เอาดมดิมีจมูกเาเมื่อกี้เาตอบกันหมดแล้วเรามีจมูกมไว้ทาอะไรจมูกอ่ะดมเอาดมดูเป็นไงดมแล้วรู้อะไรบ้าอนี้เอาโดมแล้วเป็นยังไงเป็นไงหอมเดี๋ยวหลงพ่อค่อยบอกตอนหลัง อันนี้นะอะเดี๋ยวเฉลยให้ก็ได้ว่าจมูกมีหน้าที่ดมกลิ่นมีหน้าที่ดมนะเมื่อดมเกิดเมื่อดมแล้วเนี่ยมันจะเกิดการรู้เกิดขึ้นชนิดหนึ่งเขาเรียกสมมุติ ข, ข, ขึ้นว่าบ้ารู้กลิ่นนะคือมันรู้กลิ่นเพราะนั้นใครก็ตามที่มีจมูกและจมูกไม่พิการนะ่ะนะก็สามารถดมดมกลิ่นได้แล้วก็จะรู้ว่ามีสิ่งที่ไปดมเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะส่วนอื่นๆก็เหมือนกัน อ, อพวกลิ้นเนี่ยลิ้นก็ทำหน้าที่รับรสเมื่อเอาลิ้นไปสัมผัสกับอะไรก็ตามก็จะเกิดการรู้รสเกิดขึ้นนะกายทุกคนมีกายอยู่เมื่อกายรับสัมผัสการกระทบอะไรก็ตามก็จะเกิดความรู้สึกพวกเช่นกระทบกับบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึกว่าเย็นนะหรือบางคนผมผ้าหนาๆก็จะรู้สึกว่า ร้อนหรืออบอุ่นประมาณอย่างนี้ส่วนเรื่องใจอย่างนี้อย่างนี้หลับกันหมดเล ย, เ ด, ยเดี๋ยวหลวงพ่อไปข้หัวนะสายไม้มันถึง ล, ลงตือนตือนเตือนเอายืนขึ้นก่อนยืนขึ้นทุกแถวเลยยืนเอายืนยืน เอาแถวหนึ่งแถวนึ่งแถวหนึงยืนหมดแล้วยังแถวหแถวสอแถวสแถวสีออกลับหลังหันกลับหลังหันอีกทีนึงเอานั่งลง เอานั่งลงนั่งลงทุกแถวเลยนั่งลงนะพี่จะยืนก็เพราะว่าถ้าเรานั่งอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดจะเกิดความง่วงเนาะเขาก็เลยให้ยืนเปลี่ยนอิริยาบถเราดูจิตใจของเราออกไหมว่าตอนที่เรานั่งเนี่ยจิตใจมันซึมมันไม่กระเป๊ะกระเป่าแต่พอเราได้ลุกขึ้นมาบ้างเนี่ยรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยขึ้นหน่อยนึงนะมีการตื่นตัวอีกหน่อยนึงเอานั่งได้ เ, นเน้นสามเอ็นนั่งได้ ทีนี้พูดถึงเรื่องใจนิดหนึ่งเรื่องใจเนี่ยสำคัญนะเรื่องใจเนี่ยมันรู้ได้ยากว่าใจคิดอยู่ใจมีความรู้สึกอย่างไรใจมีความสุขใจมีความกลุ่มอกกุ่มใจใจโกรธใจเกลียดใจอิจฉาตรงเนี้ยมันค่อนข้างรู้ยากแต่ว่าถ้าเราสังเกตในชีวิตประจำวันนะเราก็จะรู้ใจของเราได้ว่าใจมันเกิดอาการต่างๆเช่นเช่นนะอาการทางใจฟังให้ดีนะมันมีอยู่ในเราทุกคน่ะ เช่นสมมติว่าเพียงแค่เ อ, อมีการได้ยินว่าวันเนี้ยใครต้องทําอะไรเช่นสมมติว่าให้แถวหนึ่งนะอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้วันนี้แถวหนึ่งบอกให้ไปการดูดซ้วมนะเพราะว่าห้องน้ําเนี่ยซ่วมมันเต็มนะโอเคไหมแถวหนึ่ง เราดูใจของเราออกไหมว่าเมื่อเมื่อได้ยินเสียงอย่างนี้ใจมันรู้สึกยังไงบ้า ง, งเอาเปล่ปิอ า, อาจจะดูยากนะอาจจะดูยากหลวงพ่อเลยให้ก็ได้ว่าบางครั้งเนี่ยแค่เราได้ยินบางสิ่งบางอย่างเนี่ยใจมันก็ปรุงแต่งคิดนึกไปแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ได้ทำเช่นบอกเฮ้ยเบื่อจังเฮ้ยหรืออาจจะเกิดความรู้สึกแบบขี้เกียจแล้ววะไม่เอา นะไม่รู้ฟังออกไหมเนี่ยถ้าฟังไม่ออกเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องนะเอาเป็นอย่างนี้แล้วการในในระหว่างวันเนี่ยใจเราเป็นอย่างไงเช่นนะสมมุติว่าเราคุยกันเนี่ยคุยกันเดี๋ยวก็ด่ากันเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันในตรงเนี้ยมันจะมีอาการยังไงอาการโกรธในใจอ่ะอาการไม่พอใจดูออกไหมหรือว่าถ้าเราชมสมมุติราเนเนเนเนเนี่ยบอกว่า หลวงพ่อบอกว่าเออสังเกตมาหลายวันแล้วนะเนรรูปเนี้ยภาวนาดีจังเลยดีมากอะ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีได้เมื่อเนนได้ฟังอย่างเนี้ยเนนจะรู้สึกว่าพอใจดีใจที่หลวงพ่อได้ชมแต่เนรตรงนี้นะขี้เกียจจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยขี้เกียจมากหลับเมื่อกี้ก็หลับเป็นไงฟังภาษาแบบนี้แล้วพอใจไหมหลวงพ่อ เนี่ยอาการเหล่าเนี้ยถ้าสมมติว่าหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยเกิดมีอาการไม่พอใจหลวงพ่อมีอาการโกรธให้เรารู้สึกลงมาที่ใจแบบนี้ว่าใจมันไม่พอใจออ oh. ยากเลยหละเรื่องพวกนี้ <c oughs> เอาอยัางงี้นะถ้างั้นเดี๋ยวทวนมาใหม่ <c oughs> คือพระพุทธเจ้าอ่ะ <c oughs> จริงๆเนี่ยท่านสอนพวกเรานะ สอนพวกเราเรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ถามว่าพวกเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมีทุกข์กันจริงหรือไม่หรือใครไม่มีทุกข์เลยเออสลองตอบแถวหนึ่งดิว่าเรามีทุกข์ไหมแถวสองมีมีทุกข์ไหมแถวสามมีไหมแถวสี่มีไหมแถวห้ามีไหมแถวหกแถวเจ็ดมีทุกข์ไหม อ้าคนไหนไม่มีทุกข์มายืนข้างหน้ามาขอขอตัวหน่อยเออแถวเจเ อ, อ้ยแถว 8, แปดมีทุกข์ไหมแถวแปดแถวเก้าแถวสิโอเคนะทุกคนรู้คิดว่าคงรู้กันแล้วว่ามีทุกข์ทุกคนมีทุกข์อ่ะนะทุกข์เนี่ยอย่างที่บอกหลวงพ่อบอกแล้วว่ามันเกิดที่ร่างกายกับจิตใจส่วนเนนเนนที่บอกว่าไม่มีทุกข์กรณีมล เน้นเน้นมาก่อนเร็วมาให้เพื่อนดูว่าเราไม่มีทุกจริงหรือเปล่ามาเรวเร็วาไม่มาไม่เป็นไรเอามามามาแล้วเร็วไม่มานะเอามาหน่อยมาให้เพื่อนดูหน่อยมาเร็วมา เดี๋ยวถ้าใครไม่รู้จักทุกอะทุกพูดย่อยๆก็ได้ทุกคือความไม่สบายนะอันนี้เพื่อเข้าใจกันง่ายๆออคือความไม่สบายไม่สบายมันเกิดขึ้นที่ไหนก็คือเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจทีนี้เอาฟังต่อที่หลวงพ่อบอกให้รู้ทุกเพื่ออะไรเพราะว่าวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยฟังนะฟังนะเพราะว่าวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรามีแต่ทุก ถ้าเราไม่รู้ทุกข์ถ้าเราไม่ดูทุกข์เนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมไม่ได้เราจะพ้นมันไม่ได้เช่นสักวันหนึ่งถ้าเราเจ็บป่วยไข้ขึ้นมาเวลาเจ็บป่วยไข้เนี่ยมันมีความไม่สบายเช่อนอาจจะมีความปวดเออความปวดความเมื่อยความอะไรต่างๆตามร่างตามร่างกายหรืออาการทางจิตเช่นความความเบือ่อความเต็งความไม่อยากจะป่วยอะไรประมาณอย่างนี้ ถ้าเราไม่รู้ทุกนเนี่ยเราจะปฏิบัติทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จะทํำยังไงเพราะฉะนั้นเลยหลวงพ่อก็มาบอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยนะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายกับชิดกับจิตใจก็ให้ฝึกรู้เอาไว้การฝึกรู้นี่แหละคือการฝึกสติปวดขึ้นตรงไหนก็รู้เจ็บตรงไหนก็รู้ร้อนตรงไหนก็รู้ นะฝึกรู้ไปเรื่อยอาการทางจิตโกรธใครตอนไหนเมื่อไหร่ก็รู้ตอนนั้นนะเกลียดใครตอนไหนเมื่อไหร่ก็รู้ตอนนั้นอิจฉาใครเมื่อไหร่ก็รู้ตอนนั้นเพราะนั้นต้องฝึกเรื่องพวกนี้นะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราก็จะเกิดมาก็เสียเปล่าไปนะฝึกไปเพราะนั้น สิ่งที่เราฝึกอีกนิดหนึ่งขอเวลาอีกสองสามนาทีนะอย่างการฝึกสติที่นี่นะก็ได้อาศัยรูปแบบของหลวงหลวงปู่เทียนคือการฝึกสติด้วยการเคลื่อนไหวของกายยกมือสิบสี่จังหวะถ้าเราไม่ฝึกแบบนี้เนี่ยจิตเรามันก็จะฟุ้งซ่านมันจะไปอยู่ที่อื่นมันคิดแต่เรื่องอื่นมันจะมารู้กายไม่ได้ ก็เลยใช้อุบายให้เราเคลื่อนมือเป็นสิบสี่จังหวะเพื่อให้กลับมารู้ที่กายนะเพราะงั้นเดี๋ยวพวกเราลองฝึกกันนิดหนึ่งเอานั่งนั่งับเพียบนั่งนั่งนั่งขัดสมาทุกทุกคนเลยเนาะเริ่มต้นเลยครับเวลาเหลือน้อยแล้วตื่นๆตืนเตือนเอางี้กันก็ถือว่าคนไหนปฏิบัติคนนั้นได้นะไม่ปฏิบัติก็แล้วไปเอา เอามือฟั้าไว้ที่ที่หน้าขาของตัวเองนะแล้วก็ทุกคนให้ให้ทำทำอย่างที่เคยทำมาแล้วทำเป็นแล้วนะไม่ต้องให้สัญญาณอะไรทำไปสักระยะหนึ่งด้วยความตั้งใจนะยกมือขึ้นพลิกมือยกอะไรเนี้ยสลับไปสลับมาทำให้สบายไม่ต้องเกร็ง เรามาบวชหลายวันแล้วนะได้อะไรกลับไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมเป็นของของตนใครทํากรรมอันใดไว้คนนั้นจะต้องรับกรรมอันนั้นอันนั้นผู้ที่ทํากรรมดีก็ได้รับผลดีทํากรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วการปฏิบัติธรรมก็เป็นกรรมอย่างหนึ่ง แต่ว่าเป็นกรรมดีนะใครทําได้ก็จะได้รับผลดีคนที่ทําชั่วไม่เชื่อฟังอย่างภาพยนตร์ที่เราดูมาแล้วเนี่ยน่ากลัวมากตกกับชีวิตใครก็คนนั้นแหละตามตามที่ได้เห็นนั่นแหละว่าจะทุกข์ลำบากแค่ไหน ถ้างั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็คงสมควรแค่นี้นะแล้วก็ฝากไว้นิดหนึ่งสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำตักเตือนสั่งสอนเอาไว้ขอให้เรานำมาปฏิบัติ ด, ด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเรามาบวชแล้วก็เสียเวลาเปล่าๆไม่ได้อะไรกลับไปนะก็คงแค่นี้